ลุกลุกลุกตื่นตืนตือนยังไม่ดึกดอกโมตัสสะท้าวะตูหาหังตสัมมาสัมพุตัสสะนามโมตัสสะ แล้วผักกันนั่งภาวนามาเอเ้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วเหรอภาวนาหืนั่งภาวนาหรือนั่งทำอะไรอ่ะหือยู่กับพุทโธเปล่านั่งภาวนาปลุกจิต เอาสติปลกกุกจิตให้ตื่นรูอยู่ทุกระยะสืบเนื่องสืบเนื่องสืบช่วงกันต่อไหมทาไมเอาถึงขนาดนั้นมันไม่อยู่หรอภาวนาไม่อยู่จิตของเรามันจมมันไม่ฟูมันไม่ลอยมันจมอยู่กับอารมณ์ เรื่องราวอะไรที่มันรุนแรงที่สุดจนะิตมันจมอยู่กับมันนั้นแหลยนะย้อนไปดูที่อะไรมันค้างคาอยู่ในจิตนะที่มันจมอยู่นะ่ะมันรุนแรงดึงมันออกได้ไหมถ้าเราไม่พยายามประคองถ้าเราไม่พยายามดึงจิตจะฟู จะลอยไม่ได้จบจบิตจมจมไปกับสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์เนี่ยเราไม่ต้องลืมตามันก็มีอยู่ข้างในรูปที่มันฝังอยู่ข้างในก็มีหลับตาปับ๊บมันก็เห็นรปูปรูปอะไรน่ายินดีรูปอะไรไม่น่ายินดีมันมีอยู่ข้างในเฉยง กลินที่กเรื่องราวเรื่องราวประกอบกับรูปนี่แหละมันไปเหมือนกันหนังนั่นแหละเป็นตุเป็นตะดเราไม่เคยย้อนไปดูมาน่ะไม่เคยย้อนไปดูไม่เคยย้อนไปเห็นไม่มีตัวปลุกให้มันตื่นไม่มีงานปลุกให้มันตื่น เราต้องการให้สงบเฉยเฉยมันไม่สงบมันต้องมีงานให้มันทหลวงตาท่านจึงให้อยู่กับคําบริกรรมท่านไม่ไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมคําบริกรรมที่ประกอบด้วยสติประกอบไปด้วยความเจริญจำนงจงใจนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวปลกุกปลกุกจิตของเราให้ตืน่น อาศัยคำดำริแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละปลุกคิดให้ตื่นที่พูดอย่างนี้นี่ให้โอบนยัยโกเข้ามานะโอพนยัยโกเข้ามาที่ใจของเราในสักเท่าว่าฟังเสียงเข้าหูซ้ายทะลุหูกว่านะ <c oughs> ตังสติรู้ตื่นอยู่รู้อยู่กำกับอยู่ไม่งั้จิตมันไม่อยู่ดําริตรแต่ละครั้งแต่ละครั้งดําริดําริดําริตรแต่ละครั้งถ้าเรียกวิตกวิตกวิตกแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นการพยุงจิตยับยับยับยับให้มันรู้ตื่น ยืดตลอดไม่้มันขาดเอาตัวนี้หลยเป็นตัวมาตั้งตัวสติ ม, มาตั้งตัว ส, ต, ส, ต, ต, ส ต, ติสติก็เกิดจากจิตสติก็เกิดที่จิตสติก็เกิดจากจิตแต่สตินั้นน่ะเป็นอาการของจิตจิตสักแค่ว่ารู้จิตสักแต่ว่ารู้แต่มีผู้ดําริ ทำให้จิตตื่นรู้อยู่ให้ชัดอยู่ให้ชัดเจนอยู่กับอารมณ์อยู่จิตของเราสามารถชัดเจนกับอารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์จะให้เขาชัดเจนเต็มร้อยได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์แต่ความชอบใจของเราเนะี่ยมันชอบมันชอบต้งเห็นทั้งได้ยินเหมือนกับเราเห็นเห็นรูปนั่นแหละ ทั้งเห็นด้วยนะทั้งพูดด้วยทั้งเห็นด้วยทั้งพูดด้วยเราก็ได้ยินทั้งเสียงด้วยได้เห็นทั้งรูปด้วยตาด้วยฟังกันก็กลมกลืนกันไปประกอบกันไปโดยเหตุที่เราอยู่จนชินจนจําเจก็เลยทําให้เราเข้าใจรู้เรื่องเหมือนจิเหมือนอย่างที่เราทําลุ้นทำนี้ทํางานทําการหรือพูดคุยกันทําให้เราเข้าใจรู้เรื่อง แต่อารมณ์กรรมฐานนั้นให้มีสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่เพียงหนึ่งอารมณ์อารมณ์เดียวดำริยัปพุทโธพุทโธพุทโธประครพุทโธประครพุทโธประครไม่ให้มันขาดไม่ให้มันขาดความรู้สึกรู้สึกว่าเราดำริพุทโธ พ้ทูพุทูไม่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างอื่นมาแย่งไปแย่งผู้รู้เราไปมันจะชัดอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเผื่อมันเริ่มนึกเริ่มปรุงยับยับออกนอกแยกไปอย่างอื่นส่วนอย่างมันจะเริ่มไม่ชัดแล้วจะนอย่างมันเริ่มูุทูกุทูได้ แต่ตัวที่พาว่าพุทโธมันไปพักมันไปพานึกรูปนั้นนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องที่มันร้อนร้อนเรื่องที่มันรุนแรงตามมาอีกใจหนึ่งก็ว่าเราว่าพุทโธแต่อีกใจหนึ่งมันไปคาอยู่อยู่กับเรื่องนั้นะนักหนักเขามันดึงไปเลยไอเ้เรื่องที่เราตั้งใจให้เขาทําให้เขาอยู่ในานๆเขาจะไม่อยู่ไม่อยู่พอไม่อยู่บางการไม่ชัดละ พอไม่ชันแล้วก็เอาเอาผรู้ไม่อยู่แล้วมันไปอยู่กับเรื่องเรื่องที่เราไม่ให้มันอยู่นั่นมันดึงเราออกนอกเรื่องไปแล้วจิตมันไม่อยู่กับคําบริกรรมแล้วถ้าจิตอยู่กับคําบริกรรมนั้นมันมีมันมีเจตนาเต็มร้ อ, อยเราลองตั้งเจตนาลองดูมันจะไม่สงบจนทิ้งคําบริกรรมก็ตาม ขอให้มาอยู่ในอยู่ในคาบริกรรมมีวิตกแล้วก็มีวิจารวิจารนี่คือประคอวิตกก็คือพุทโธพุทโธนี่เาเรีกรยกวึกวิจารนี่คือประคอประคองความรู้สึกที่เราว่าพุทโธพุโธพุโธลองย้อนไปที่จิตของเราลองลน้อมเข้ามาลองโอพนั่ยิโกรกเข้ามาลองน้อมเข้ามาลองตั้งใจว่าตัวนี้ด แต่ถ้าใครเคยทำเลยขั้นนี้ไปแ ล, แล้วมันก็ง่ายๆทำให้จิตของเราเนี่ยโยมันไไปง่ายๆหรอกกำลังไรขึ้นมากันนึกแนวนึกนิง่งดิงนนึกก็ไปมันไม่แบ่งความรู้ไปที่ไหนมันตื่นรูร้รค เราสงบเอยลึกเข้าไปถึงจะไม่บริกรรมคําว่าคุโธคุโธแต่ความรู้สึกของเรากันแน่วมางทีมันเกาะอยู่กับความอิ่มความอิ่มของจิต <c oughs> ความอิ่มของจิตท่านเรียกว่าปีติปีติวิตกวิญญาณปีติสุขเอ ก, ะกะตาอันนี้เราอย่าทิ้งอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นหลัก เราทําให้มีให้เป็นในปัจจุบันเราทรงความสง บ, บแค่นี้อยู่ได้ตันหามันไม่ดึงจิตของเราไปยุ่งกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องราวสารพัดเรื่องสัมผัสสัมผันธ์เรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดไอ้แค่เรื่องรูปอย่างเดียวที่มันผ่านตาแค่ตาอย่างเดียวมันซาดไปอย่างนี้ไม่รู้รูปอะไรแต่ อ, อะไรไม่รู้ มันพาจิตของเราไปคล้องไปคาอยู่นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันพาเราลึกมันพาเราคิดคาไปคามาคามาคาไปก็ติดแล้วก็เกาะแล้วเกาะแล้วก็เพลินแล้วเพลินแล้วก็ยึดล่ะโอ้น่าดีใจน่าดีใจยึดเข้ามาแล้วโอ้ไม่น่าดีใจไม่น่าชอบใจผลักออกไปแล้วแน่หนึคือความคือการเห็นที่ไม่เป็นกลางใจมันเห็นไม่เป็นกลาง ตัวที่มันแปรให้ใจของเราเห็นไม่เป็นกลางก็คือเจ้าตันหาเจ้าตันหาไม่ใช่เราพูดลมๆแรงๆเราย้อนไปดูในใจของเราเราเห็นตันหาคือความทะเยอทะยานอยากความดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตจิตเรามันดิ้นรนมันทะเยอทะยานอันนี้แหละคือเจ้าคือจอมของวัตถจักรอันนี้แหละคือตัวเจ้าจอมที่มา หาถามเอาความทุกมาทับถมหัวใจของเราเจ้าตัวความอยากนี้แหละมันจะยังอิสระเสรีในตัวขาาองมันแหละอืเราจะกําหนดรู้เท่าทันความอยากนี้ได้ยังไงเบื้องต้นให้เรากําหนดรู้เท่าทันความอยากย้อนมาดูที่ใจของเราเราจะเห็นความอยากโอ้ใจของเรามันอยากอบางทีมันก็อยากในทางที่เป็นธรรม บางทีมันก็อยากตามอำนาจของกิเลสมันอยากตามอะไรก็ตามเราลองเกาะลองดูแส้นเราลองวิจารณ์วิจัยอิทธิกิ่มมันไปเกาะโอ้อันนี้มันอยากให้เราให้ทานอยากให้เราตั้งใจรักษาศีลอยากให้เราตั้งใจเผาหนายใจสงบแล้วมีความอยากกรีมิยิ้มจ่องอยู่ในใจโอ้อันนี้เป็นมรรคเราเร่งส่งเสริมสนับสนุน ให้มันมีมากมูลให้มันติดต่อกันเรื่องเป็นพืชเป็นพืชแต่ถ้าหากมันมันมีความอยากอยากรักอยากชังอยากโกรธอยากเปลียดอยากอิจฉาริียพยาบาติอยากตรนีทีเหนียวเอออันนี้เป็นเรื่องของตัณหาอันนี้เป็นเป็นเรื่องของกิเลสเอาผู้รู้ของเรามาเจ้าเผา ล้นมันไปแผล่มันไปเจาะเข้าไปเหมือนกับจิ้มเอาพระรเรามาจิ้มเดี๋ยวมันก็เหือหายไปเดี๋ยวมันก็ระเหยหายไปหมดเพราะริเดียของตัณหานั้นนะ่ะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่กิริยาการตัณหาคือสมุทยสมุทยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดโทษคือเชื่อว่าเกิดที่ไหนแล้วนี่ยคือกองทุกไปโผล่แล้วคือชื่อว่าเกิดที่ไหนอกองทุกไปโผลไปเกิดที่นห่นคือเชื่อว่ามีพบที่ไหนกองทุกไปโปลที่นั่นคือเชื่อว่ามีพบที่ไหนความเกิดก็ไปโผลที่นั่นะอืเนี่ยคือความทุกเกิดคือกองทุกเกิดมันอยากขึ้นมาทีไรเมื่อไร่มันเอาทุกมาทับทมหัว ใ, ใจของเรา ให้เราดูให้รู้ว่านี่คือความอยากตามอำนาจของตันถานจิ้มเอาสติเอาเปัญญาเจาะลงไปสนินมันจะละลาย ห, หายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านะั้นมันมีแต่กิริยาอาการคือรวดลายแห่งความเลวทรามของใจของเราใจดิบดิบนี่แหละใจเราใจท่านใจที่ยังไม่เคยฝึกฝนอบรมไม่เคยชักเคยล้างเคยขัดเคยเกา ใจดิบดบใจเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ไมด้เอามาแปรรูปให้สําเร็จเป็นประโยชน์ให้เกิดความแพรวพราวให้เกิดความอัศจรรย์เหมือนอย่างนายช่างที่เขาเอาแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยอามาเจียรไนอย่างเพชรนี่เขาเอามาเจียรไนเจียร ใ, ให้เป็นเหลี่ยม กี่เหลี่ยมกี่สันเขากเกี่ยรในให้เป็นเหลี่ยมเพราะแต่ละเหลี่ยมนั่นแะแต่ละเหลี่ยมแต่ละพื้นราบของเหลี่ยมนั่นแ่ะมองเป็นสีอย่างหนึ่งจะอย่างเพชรเนี่ยในตัวเพชรนั่นแะมันสามารถดูดสีสีที่มอีอยู่ในอากาศน่ะเาเรียกแสงอยู่ในอากาศสีสีที่เป็นสีอะไรที่มันแฝงอยู่ในอากาศเนี่ยเราไป ที่ชเวดากองไปที่ชเวดากองเขาบอกว่าบนยอดชเวดากองมันมีเพชรอยู่เจ็ดสิบกว่าการัมมีอยู่บนนั้นน่ะไม่รู้มันกี่สันกีเลียมกี่คมเลยอยู่บนนั้นน่ะมันสามารถดูดซับเอาแสงที่แฝงอยู่ในในท้องฟ้าในอากาศได้มันมีที่ที่หนึ่งที่เขาไปให้เรายืนดูยืนดูยืนดูยืนดูที่หนึ่งเอา้าเห็นเป็นสีแดงขยับ อีกสักหน่อยหนึ่งเป็นสีเขียวขยับอีกสักหน่อยหนึ่งเป็นสีเหลืองใครไม่เคยไปดูลองไปดูที่เชเวดากองอะนะเพราะมีเพชรอยู่บนยอดยอดเจดีย์เชเวดากองเกตสิบกว่ากรัมอยู่บนนั้นจิตของเราที่ยังไม่ได้เอามาขัดมาดัดมาแปลความอัศจรรย์ภายในจิตก็ยังไม่มี ความเป็นไปของจิตก็มีแต่รเดชของกิเลส ข, ของตัณหาคำว่ากิเลสก็คือตัณหาคำว่าตัณหาก็คือกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสจิตราคะจิตตัณหานี่ก็เป็นเรื่องของกิเลส หาแต่ว่าเรียกเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเพื่อเป็นการมาแยกแยะท่านเองคำว่ากิเลสก็คือสภาพความที่จิตของเรามันเศร้าหมองท่านใช้ศัพ์ว่ากิเลสกิเลสแลลว่าสภาพทําให้ใจเราเศร้าหมองตั้หาตั้หาตั้หาความอยากความดิ้นรนความทยทะยานของใจนั้นมันดิ้นรนไปก่อทุกข์ก่อโทษไปดึงฝุน่นดึงทุลีดึงละออนมาหมักโป ให้จิตดรงนี้เกิดความเศร้าเกิดความหมองเหมือนกับความรู้ผู้รู้ของเราจิตของเราคือผู้รู้คือท่ารู้ตราบใดที่จิตของเราฟุ้งหมายความว่าจิตเราไม่นิ่งจิตเราไม่สงบจิตมันฟุ้งคือจิตของเราไม่นิ่งจิตเราไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบจิตมันก็ไม่ผ่องจิตมันก็ไม่ใส จิตมันก็ไม่ปลอดโปร่งถ้าเป็นกระจกก็กระจกคุนคกระจกมัวมัวถ้าเป็นน้ำํำก็คือน้ำคุนคน้ํามัวมัวถ้าเป็นเรื่องของจิตสงบนั้นเหมือนกับน้ําใสเหมือนกับกระจกที่ใสเหมือนกับกระจกที่มีเงามองเห็นเงาตัวเองรู้สึกตัวว่าผู้รู้ของเราสงบเยือกเย็นมีความสุขเห็นเงาของตัวเอง ไปจบใสๆเรามองสามารถมองทะลุ ก, ก็ไปเลยน้ําที่ใสๆไม็ดละลึกสองสามเม็ดสี่เม็ดมนมองเห็นอยู่ก้นมองเห็นอยู่ก้นก้นสัตว์ก้นห้วยค้นบอ่อมองเห็นเพราะความใสของน้ําใจของเราเช่นเดียวกันถ้าใจของเราฟุ้งซ่านมองอะไรไม่ออกหรอกโอกาสที่จะมองมองให้เห็นอั น, นิจ้จังทุกข์งอนาตตามันมองไม่เห็นหรอก แต่อันนี้ังทุกขังอนัตตาเราแทบไม่ต้องท่องแหละพวกเราเชาวพุทธศัพท์นี้มันเป็นศัพท์ของศรราสนาทุกคนได้ยินได้ฟังนี่ลองถามตอบได้ทุกคนจําได้ทุกคนอันนี้จงทุกขังอนัตตาแต่เรามองไม่เคยเห็นตัวความอันนี้จงทุกขังอนัตตาที่แท้จริงเห็นแต่ความจาในหัวใจของเราเราไม่เคยมองดูเห็นกิริยาอาการของมัน พอที่จะทําให้ใจของเรานเข็ดหลาบในกิริยาการเหล่านี้เพราะฉากนั้นเราจึงมีความหลงอย่างไม่สั่งสาหลงกายของเราเองหลงใจของเราเองหลงกายของเราแล้วหลงกายของคนอื่นห ล, ลงกายนี้หลงไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในกายเราแล้ ว, ลวมันก็ไม่ไม่ฉลาดในกาย ไม่ฉลาดในสังขารของตัวเองแล้วไม่ฉลาดในสังขารอื่นๆที่อยู่รอบข้างตัวเราประนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราเภานะใจได้รับความสงบใจสงบคือใจไม่ฟุ้งซ่านใจผ่องใจใสในนั้นมีความสุขในนั้นมีความสงบในนั้นมีความเยือกเย็นในนั้นคือยอดของบุญนี่นี่แหคือยอดของบุญ อยอดของบารมีคือยอดของสริริคือยอดของมงคลใจถ้าเราฝูกได้อย่างนี้ใจขอเราเป็นสิริในตัวเป็นมงคลในตัวไม่ต้องไปสเสแสรหาสีที่อยู่นอกนอกนอกกายของเรานอกใจของเราเราไม่ต้องไปสเสแสรหานี่เราอยู่กับมงคลอยู่แล้วธรรมะของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าก็เป็นยอดของอุรมณมงคล เพระธรรมของพ ร, ระปธรรเจ้ามาชี้แจงมาขัดมากล่าวมาเปิดเผยให้เรารู้จักสัจจสัจธรรมตัวอนั้นเราพูดตอนค่ําพูดตอนเช้าพูดตอนสายพูดท่ามกลางงานศพงานมงคลงานอนวะมงคลเป็นสติเป็นมงคลทั้งนั้นเป็นอุบายเป็นวิธีที่ทําให้เราได้ยินได้ฟังให้เราได้ข้อบประพฤติได้ครอปฏิบัติให้เราได้ปฏิปท า, าเครื่องดังเนื้ ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ฟังฟังได้ทุกระยะทุกเวลาอย่าไปเอาความขี้เกียจมาอ้าอย่าไปเอาความม่วงมาอ้างอย่าไปเอาหม้อขํามหลดเหลยมาอ้างเราพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังตอนไหนนั่นแหละเป็นโอกาสที่ดีของเราเราต้องรีบตักตัวเงเอาเพราะโอกาสที่เราที่เราอับจนปัญญาก็คือเราไม่ค่ยได้ยินได้ฟังนี่นี้เราจึงอับจนปัญญา เมื่อปัญญาไม่มีสติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีเมื่อสติไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่ดีมันเกิดคูณกั น, กนสติเป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในจิตของเราที่เราพูดถึงว่าจิตจิตจิตจิตเราย้อนมาดูผู้รู้ของเราคือธาตุรู้ของเราคือจิต ร่างกายของเรามีจิตมาอยู่มาจากมาจองจิตถ้าเรียกว่านามธรรมามันไม่เห็นไม่เห็นรูปมันมีถิกริยาการกายมันเป็นก้อนเป็นแท่งทีเรียกว่าเป็นรูปรูปธรรมราพยายามย้อนจิตมาดูรูปธรรมของเราแท้ที่จริงรูปธรรมของเราก็เป็นสมบัติของใจของเราของนามธรรมาของเราเนี่ยแต่นามธรรมาของเรานั่นแหละ มันมาได้อาการห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ เ, นนษยเพราะมันมีอวิชชามันมีตัณหาเนี่ยแหละมันทำให้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ขันตัง า, างห้านี่เลยเป็นผลผลงานของตัณหาที่เป็นรูปก็เป็นส่วนรูปไปที่เป็นนามก็คือเป็นสิ่งที่ตัณหามันไปแทกอยู่นามก็คือถ้ารู้คือใจนี่แหละ พระพุทธเจ้ า, ราพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านชักล้างออกหมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ท่านสร้างบา ร, รมีมาเพื่อชักล้างหาหอนทานวิธีการปฏิบัติคือทางดำเนินปฏิบัติเพื่อชักเพื่อล้างเนี่ยไม่มีใครมาบอกมาสอนแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านแรกด้วยบุญญาบารมีเห็นไหมเสียสงไข่แสนมหากับ แต่อาสองไข่แสนหมากับสิบโกะสงไข่แสนหากับถ้าไม่มีบารมีเหล่านี้มาแรกมันไม่มีอะไรที่จะมาเปิดจิตเปิดใจเปิดสติเปิดปัญญาให้เราได้เปิดไม่ได้ไม่มีอะไรมาเปิดเราดูอุทกดาบท์อาราธดาบทมีความสงบถึงขนาดนั้นก็าตามแต่ด้วยเหตุว่าไม่ได้เอากิตไม่ได้เอากิตที่ได้รับความสงบนั้นแนหะ มาพิจารณาให้เกิดปัญญาคือไม่ได้เอามาใช้งานสงบมีความสุขอิมเอิบก็ยินดีพอใจอยู่แค่นั้นโอ้เราสงบอ้เราสงบเราสงบสมาบัติขั้นเจ็ดแล้วเราสงบสมาบัติขั้นแปดแล้วยินดีพอใจอยู่ในนั้นแค่นั้นพอใจอยู่กับความสงบเป็นอัตตาสวยความสุขเต็มแปร่อ ย, อยู่นั่นแหละ ไม่เหมือนค์พระพุทธเจ้าของเราคพุทธเจ้าของเราด้วยบารมีของท่านนะ่ะขอใรู้ขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้ทะลุขอให้ทะลุขอให้ทะลุตายก็ยอมตายก็ยอมขอให้ทะลุขอให้ทะลุเพราะฉะนั้นจึงมีทานบา ร, รมีทานอุปบา ร, รมีทานปรามัตตบารมีทานอุปบา ร, รมีก็คือทานของนอกกายเหมือนอย่างที่พวกเราทานบุญกระถินนี่แหละ เป็นข้าวปลาอาหารเป็นภาพผ่อนทำสบายเป็นนู่นเป็นนี้เป็นจตุ ป, ปัจจัยเป็นฐานบารมีธรรมดาท ร, ร ม, มากก็มีผลมากทำน้อยก็มีผลน้อยทานบารมีทานอุปบารมีก็คือทานอวัยวะของตัวเองเช่นอย่างปริยาตัดไตข้างหนึ่ง อาไปใสให้สามีเนี่ยสามีไตาวายสองข้างเราค่อยอ่านประวัติของใครมาลูกสามีไตาวายสองข้างภรรยาเสียสลักของตัวเองข้างหนึ่งตัดออกเลือกเลือกข้างหนึ่งอันหนึ่งก็เอาไปพ่วงกับของสามีเพื่อให้ไตตัวนี้ได้ช่วยทํางานไตของสามีอันนี้เ้าเรียกว่าทานอุ ป, ปบารมีละเอียดลึกเข้าไปโอ้วันนี้สงไรอันนี้ ส, ง, นนสงมาก ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเสียหายอะไรไปไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงเจ็บถึงปวดฐานปรมาภิธรรมีด้ยยวยแล้วเสียสละด้วยชีวิตนะเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเป็นดาวบดนั่นแหละเห็นเสือแม่ลูกอ่อนกําลังจะกินลูกมันโดัดให้มกินเลยพุทธเจา้าสมของเราสมประชาตหนึ่งเป็นฤาษีดาวบดอยู่ในป่าเห็นเสือมเสือแม่ลูกอ่อนกําลังจะกินลูกมันโดดต๊บไปตะคุบกินเลย เยือกมาแล้วมันก็เลยไม่กินลกูกกินคนแทนให้ชีวิตเป็นทานชีวิตเราเสียไปสิ้นไปก็ช่างเถอะเขาให้ชีวิตลูกเสือนะอยู่เน่ทานประมั a บ t ร a p เนี่ยถ้าไม่ได้เสียสละถึงขนาดนี้มองไม่เห็นดูไม่ออกแทงไม่ทะลุแทงไม่ทะลุ ไม่ชลุอะไรไม่ชลุอัดตาไม่ชลุตันหามันดูไม่ออกอะไรคือตันหาอะไรคืออัดตาดูไม่ออกอัตตาคือตัวตว น, นตัวตว น, นที่แท้จริงไม่ใช้อัตภาพร่างกายความรู้สึกที่เป็นอัตตามันคือความรู้สึกที่ใจเรามาเห็นอัตตาตัวนี้อัตตาตัวนี้มันถึงจะผ่อนคลายเบาบางลงไป โอ้มันไม่ใช่อันนี้เป็นอุปาทานจิตมันยึดชเฉยตัณหามันพายึดยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาของเราพระพุทธเจ้าดูไปจนเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่อัตตานี่ในเมื่อมันไม่ใช่อัตตามันต้องมันก็ต้องเป็นอนัตตาอนัตตาในเมื่อเราบอกให้มันเป็นไปตามใจเราหวังไม่ได้เราจะให้ความสําคัญมันว่าเป็นอัตตาไปอย่างไงมันต้องเป็นอนัตตา มว่อนัตตาอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะไม่ดูไปแล้วก็ไม่ใช่ดูไปแล้วศูนย์ไปเฉยมันมีอยู่แต่เรากัดเคียนให้เปลี่ยนไปตามใจหวังไม่ได้เช่นอยางร่างกายของเราเนี่ยมันต้องแก่แต่เราไม่อยากให้มันแก่มันต้องเจ็บแต่เราไม่อยากให้เจ็บมันต้องตายแต่เราไม่อยากตายมันนึกอยากให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือมันอยากอยู่ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากอันนี้เป็นความอยากของตัณหาแต่ความเป็นไปของร่างกายร่างกายมันฟังไหมที่ความอยากตัวนี้กับไอ้ร่างกายที่มันเป็นมันคนละเหตุคนละปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้มันแก่มันก็ต้องแก่เหตุปัจจัยทําให้มันเจ็บมันก็ต้องเจ็บเหตุปัจจัยทําให้มันตายมันก็ต้องตายนึกไม่ออก นึกไม่ทะลุว่ามีเหตุปัจจัยอื่นคิดว่าความหมายจะเอาหมายจะเอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละคืออัตตาของเราแหละตัวนี้แหละคิดว่าจะสมหมายแหละคิดว่าจะสมหวังแหละแต่บางครั้งการเข้าคาดคาดเดาเดานี่ยมันก็พลอยบังเอิญก็มีเช <laughs> ่นอย่างไรซื้อเลข <laughs> ซื้อหวยเ <laughs> ทวายเปพนได้หรอ ค า, าดคาดเดาเดาเอา้าจับไปใส่ทําไมถูก <c oughs> มันก็ถูกได้แรงของตัณหาสมเหตุสมผลมันก็สนองได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมนั่นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมคาดคาดเดาเดานันก็ถูกได้ทํางทีมันคนละเหตุคนละปัจจัย เหตุป um ัจจัยที่ทำให้มันออกมันอยู่ที่กลไกที่เขาไปหมุนนั่นน่ะนั่นคือกลไกที่ทาให้มันออกมาตรงนั้นออกมาตรงนั้นออกมาตรงนั้นกับไอความนึกคิดภายในจิตของเราเนมันคนละเรื่องคนละโรคคนละเหตุคนละปัจจัยเป็นหินหักต่อกันไม่ถูกต่อกันไม่ได้ต่อกันไม่จิตที่เหตุปัจจัยของร่างกายของเราเนี่ยกับความอยากตามเรื่องของตัณหาในใจของเรามันคนละเรื่อง เรามาพิจารณาดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าจิตของเราโง่มากไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เหตุใช่ปัจจัยของเราแต่ไปเกณฑ์เขาให้เขาเป็นให้ให้ถูกใจเราให้สมใจเราเราไม่ต้องพูดดอกเราดูเราเนี่ยแหละจากหนึ่งคนเป็นสองคนเอ้าไม่ต้องพูดว่าใครตั้งเป็นอุปมาไทยแหละเอาเป็นสามีกับภรรยานี่แหละเอาสามีกับพยายามเกณฑ์ภรรยา อยู่ในความหวังของตัวเอง <c ười> ต้องฟังเราต้องฟังเราต้องฟังเราไม่ฟังเราเครียดละ่ะตอนนี้ทําอะไรผิดใจซะหน่อยนั่นคือเกลียดให้เขาทําให้ถูกใจโอ้เวลาเขาทําให้ถูกใจละเครียดละ่ะนี่ทั้งทงมันคนละเรื่องนะไปเกณฑ์ดอะไใจเขามีหัวใจของเขาไอ้เราก็มีหัวใจของเราเขามีใจของเขาบริหารของเขาไอ้เราก็มีใจของเราบริหารของเรา แต่ไปบังคับเขาให้ให้เขามาสนองความต้องการของเราให้เขาเชื่อเราให้เขาฟังเราให้เขาทำให้ถูกใจเราในสุดมันทาให้ถูกใจเขทะเลาะกันสามีก็อยากให้ภรรยาเอาใจภรรยาก็อยากให้สามีเอาใจบางครั้งก็พลอยอนุโลมอารมณ์อโวยเอาใจโอ้ชื่นอกชื่นใจ บางครั้งมาขัดมาคล้องไม่พอใจทั้งท่นนี่มันคนละเหตุคนละปัจจัยนะแต่มันไปพยายามบังคับไปกะไปเกณฑ์ น, นี่เราดูพื้นพื้นมาแล้วเราอย่างไปถึงไอ้ส่วนที่มันเป็นไปตามหลักของธรรมชาติของมันนั่นคือกระแสของมันกระแสของปัใจจัยในโลกกระแสของสังขารในโลกมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน คำว่าเหตุคำว่าปัจจัยก็คือสิ่งปรุงสิ่งประกอบประกอบลงไปแล้วเป็นกองสังขารเป็นก้อนสังขารเหมือนอย่างร่างกายของเราเป็นกองสังขารกรองสังขารตัวนี้ที่เราไม่รู้เราไม่ค่อยใจเพราะเราไม่เคยมาดูมาแยกมาแย่เราจะเราเลยลุ่มหลงด้วยเหตุที่เราลุ่มหลงเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเราไปยึดว่าเป็นเราว่าเป็นองของเราถามจริงๆใครเคยเอาเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่ มีไหมไม่มีเลยแต่เวลาเราโตขึ้นมาทําไมยึดเหลือเกินตัวเราตัวเราตัวเราบางคนเองค่าได้ทั้งพ่อทั้งแม่เคยเห็นมาแล้วค่าพ่อค่าแม่ตัวเองทางั้งที่เราไม่ได้เอาเลือดสะยัดไปเกิดในท้องแม่เป็นของพ่อกับแม่ประกอบกันในท้องแม่ยึดเหลือเกินเห็นไหมเนีย่ยดูตัญหาในหัวใจขอเรามันร้ายกาจไหม พิจารณาไปให้ลึกเราจะเห็นโทษของมันเราไม่น่าจะสงวนมันไว้เราไม่ไม่น่าจะทนมืดบอดสนองความต้องการของของมันทุกระยะทุกเวลาเรามีช่องเรามีทางเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญามีวิธีฝึกเพื่อให้มีศีลมีวิธีฝึกเพื่อเกิดสมาธิให้เกิดปัญญาปิดแฮ ร, ร, รู้ว่าฟังเทศอยู่ยังเปิดทิ้งเอาไว้นั่นเห็นไหมกวนหมดคนหนึ่งกำลังจะแนวอยู่แล้วเนี่ยเสียหมดเนี่ยต้องเคารพในหมู่เคารพในสมสังฆะแปล ว, ว่าหมู่พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นหมู่เราต้องเคารพกันเราต้องยำเกรงกันถ้าเราเคารพยำเกรงจะสวยงามมาก ในสังคมในสังคมในชุมชนจะมีความสง่างามความเคารพความยำเกรงความมีความละอายแก่ใจสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติทงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คุณสมบัติการที่เราตั้งใจรมะมัดระวังก็เป็นเรื่องของสติอย่างมันเป็นการสังวร มันเป็นข้อปฏิบัติเหมือนกันสังวรประทานสังวรประทานประหารประทานสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในหัวใจของเราสังวรไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะมันเกิดขึ้นทีไรเมื่อไหร่เราทำกิริยาด้วยกายด้วยวายจาผลเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเราสังวรระมัดระวังได้กิเลสไม่เกิด ระวังได้ทุกระยะทุกเวลาสติเราหลึกเราตื่นรู้รูจิตของเราเป็นธรรมตอนนั้นกลายเป็นธรรมกลายเป็นกรรมกลายเป็นวิบัติอันนี้คือผลที่เราพึงประสงค์แต่ถ้าเป็นเรื่องของเกเรเนี่ยมันจะเพิ่มผูนเข้ามาเพิ่มผูนไปมากเท่าไหร่กองทุกมากเท่านั้นเราไม่ประสงค์กองทุกเหล่า น, นี้นี่วิธีการว่าเราทํายังไงเราจะได้ฝึกฝนอบรมยังไง เราจะได้เกิดความรอบรู้ในกองสังขารตัวนี้ตั้งแต่รักษาเข้าไปให้ยิ่งเข้าไปสินจนเป็นอาทิศินจนถึงขั้นรักสินยิ่งกว่าชีวิตพระโสะดาบันในฐานรักสินยิ่งกว่าชีวิตจนเป็นอริยกระกันตักสินนะอริยะการตักสินโสะดาบันนะเป็นศินโดยอัตโนมัติ เห็นโทษเห็นไผเพราะฉะนั้นท่านจึงทำให้พบชาติน้อยลองเหลือแค่หนึ่งชาติบ้างสองสามชาติบ้างอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติท่านจะต้องได้บรรลุธรรมนี่พระสวดอ่านเพราะอะไรเพราะมันเห็นคุณเห็นโทษเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วแต่มันยังมีเจ้าตัญหาส่วนละเอียดที่มันยังละไม่ได้ยังวางไม่ได้มาขัดมากราวมาเสียดมาสีเข้าไป เิชะเข้าไปล้างเข้าไปล้างเข้าไปเป็นชั้นเป็นภูมิไปแค่ทำลายการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานแค่ละสั ก, กายธิฐิได้ยังมีธิฐิอยู่แต่ธิฐิตัวนี้ไอการถือมั่นสำคัญว่าเป็นกายมันเบาไปแล้วมันสามารถยอมรับภาวะ สภาวะทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเราโอ้อันนี้เป็นไปอันนั้นมาจากเหตุอันนี้อันนี้มาจากเหตุนั้นอันนั้นเป็นเหตุผสมให้เกิดอันนี้อันนี้เป็นเหตุผสมให้เกิดอันนั้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยเป็นตัวของตัวมันอย่าลืมว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยในตัวของมันทุกอย่างทุกเรื่องมันไม่ใช่มันจะมาสำคัญมาเกี่ยวข้องกับเราแต่เจ้ากรรมตัณหาที่อยู่อยู่ในหัวใจของเรามันไปกะเกณฑ์ทุกอย่างให้ถูกใจมัน เมื่อยาเมื่อกี้เราพูดถึงสามีภรรยานะสามีภรรยาที่รู้จักฟังกันจะมีความสุขด้วยกันมันมีวิธีหนึ่งที่เราทำให้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างผาสุดให้ตั้งตัวเป็นคู่บารมีกันโอ้ยิ่งใหญ่นะคู่บารมีนะี่ยิ่งใหญ่คาว่าคู่บารมีสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกัน สุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันเวลาสามีทุกขภรรยารู้จักปรับทุกให้เวลาเวลาภรรยาทุกสามีรู้จักปรับทุกให้ชี้ช่องทางแก้ทุกให้นี่เป็นคู่บา ร, รมีกันรู้จักแ ก, แก้ไขให้บางการบางคราวที่ฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดแก้ให้เกิดความเข้าใจถูกฝ่ายหนึ่งน้อยใจ รู้จักพูดให้คลี่คลายมีการโกรธโมโหโท้อโศด้วยเหตุเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งรู้จักชี้รู้จักแนะรู้จักบอกเขาจักสอนรู้จักชักรู้จักล่ารู้จักเด่งกันประยุงกันสุขสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันหนักหนักด้วยกันเบาเบาด้วยกันตัดสินใจเรื่องที่ยากลาบาก ร่วมกันแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเอาใจใจเขาว่าเอาใจใจคําว่าอยู่ด้วยกันแค่มีลูกหนึ่งคนเถะปากันแล้วทิ้งกันแล้วเพราะเบื่อเต็มทนแล้วว่า ง, งั้นเถอะไม่สามีเบือบ่อภรยาภรยาก็เบื่อสามีดูถูกกันด่าทอกันกลางถนนเคยเห็นมาแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งตนเป็นคู่บารมีถ้าเราตั้งตนเป็นคู่บารมี ด้วยเหตุที่เราตั้งใจได้แค่นี้ขนาดนี้เนี่ยตกลงปรงใจกันเนี่ยโอ้เรื่องราขุนข้องมองใจกันเนี่ยเกือบหมดไปเลยแหละสุขสุขด้วยกันจริงๆเป็นที่พึ่งของกันได้จริงๆทุกๆด้วยกันช่วยแก้ไขกันมีความสุขด้วยกันมีความเจริญด้วยกันเสร็จแล้วต่างคนต่างช่วยกันเสยมสร้างบารมีให้ให้เกิดกันด้วยกันเหมือนพระพุทธเจ้ากับพิมพานั่นแหละ กี่กับกี่การกี่บริชาตมาด้วยกันอธิษฐานให้เป็นคู่บา ร, รมีกันเราจะช่วยส่งเสริมกันในในที่สุดจะช่วยกันได้ในที่สุดพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวร พ, พ, พ้นภยัยแ ก, กวัตักสองสารไปได้ถ้าหากเราไม่มีอุบายอย่างนี้เราไม่ทันตัหามันอีกแล้วแล้วยิ่งเรามีความต้องการเป็นสามีภรรยากันเพราะเหตุแห่งความต้องการ ด้วยแล้วมันไม่กี่ยกหรอกเบื่อนหน่ายคลายจางทะเลาะบอกไว้แล้ดีมื่ดีฆ่าแกงกันต่างคนต่างบังคับให้เป็นไปนตามใจของตัวเองคิดว่าเขาจะต้องฟังเราเขาจะต้องฟังเราเขาจะต้องเป็นไปนตามเราแต่เรื่องเหล่านี้ก็ต้องฟังแต่เราจะฟังใครอะ่ะฟ้มสามีภรรยาเราควรจะฟังใครเราควรจะฟังผู้ที่เป็นธรรม ถ้าสามีเป็นธรรมภรรยาต้องฟังสามีต้องเอาสามีออกหน้าถ้าภรรยาเป็นธรรมอย่าลืมว่าภรรยาบางคนเป็นธรรมนะสามีไม่เป็นธรรมก็มีกินเหล้าเมายาเล่นโบไฮโลอย่าลืมอย่าคิดว่าไม่มีนะถ้าภรรยาเป็นธรรมต้องให้ภรรยานำหน้าสามีต้องตามหลังทาใจได้ไหม ถ้าทำใจไม่ได้ต้องศึกษาทําให้มันเท่าๆกันพอๆกันไปวัดไปวาไปฟังเทศไปนั่งภาวนาแปลอะไรด้วยกันไม่งั้นมันจะเอาแต่เรื่องของตัณหาเนี่แหละไปกะไปเกณฑ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังมันเป็นไปไม่ได้ดอกจากนั้นจากนั้นซ้ำหน่อยหนึ่งละหนึ่งบ่อนนึงก็เป็นสามเลยท่านี้มาเยอะแล้วแหละแบกบกองทุกข์แล้วอย่างสองกองทุกข์ไม่พอ เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสามกองทุกเอาเข้าไปแหละทีนี้เพิ่มภาระเข้าไปแล้วอย่าลืมว่าลูกบางคนที่มาเกิดกับเราบางคนก็มีบุญด้วยกันมาเกิดบางคนก็มีบาปด้วยกันมาเกิดมาเกิดเพื่อที่จะสนองกรรมเพื่อที่สนองกรรมสนองเวทงนี้ก็มีอเกิดเพื่อสนองกรรมสนองเวท ไม่ใช่มาเกิดเพื่อส่งเสริมบุญญาบารมีให้เก่ดกานเลี้กาลูกนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นบุญเป็นกรรมด้วยกันมาเกิดเอาบุญกรรมมีทั้งบุญกรรมมีทั้งบาปกรรมอะละเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าสักหน่อยหนึ่งก็เกณฑ์ลูกบังคับลูกให้เป็นประจาใจหวังตัวเองลูกเขาก็มีใจของเขา บอกเขาไม่ได้เอามาเคี่ยนเอามาตีที่ได้เจ็บตัวเขาเทั้นแหละใจเขามันตีไม่ได้อใจเขาตีไม่ได้ก็เหมือนอย่างด่าให้เขาสามีภรรยาดา่ากันด่าให้เจ็บกันเฉยๆเดี๋ยวด่าให้เจ็บเฉยๆเดย่ะที่จะทําให้เขาตามใจเราเนี่ยเขาไม่ฟังหรอก พวอย่างนั้นนะตัดสินใจไปอย่างนั่นผู้อย่งตัดสินใจอย่างปาทิ้งไปเลยเนี้ให้อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วกเกณฑ์ให้เขาทําให้ถูกใจเราีหรือพูดเป็นข้อคิดสําลับพวกเราพวกเราอยู่เราไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้พราะพระเจ้ทาท่านทรงวางหลักเกณฑ์ของศีลธรรมเอาไว้แค่มีศีลห้ามีสามีมีภรรยายอยู่ด้วยกันได้ ถึงคราวทำให้ใจสงบอยู่คนละมุมห้องเภานะหน้ใจสงบได้เมื่อใจสงบแล้วเอาใจที่สงบแล้วมาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นเห็นคุณเห็นโทษของสังขารได้ปัญญาย่อมเจริญงอกเงยย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ท่านบรรยัติว่ามรรคผลนิพพานต้องเป็นสลับศินรยี่ิบเจ็ดสินสามรอสิบเอดสินพิษุนีหรือไม่ก็ศินแป สินห้าสินแปดสิน 10, สิบสินสองรี่สิบเเอใครตั้งใจรักษาศินของตัวเองให้บริสุทธิ์หมดจดตั้งใจภาวนาธรรมะธรรมผลให้เกิดได้ธรรมะธรรมผลให้เกิดได้สามีภรรยาเกี่ยวข้องกันท่านถือว่าเป็นใยราคะราคะท่านถือว่าเป็นใยครูบาอาจารย์ท่านเอามาพูด ว, ว่า ถ้าไฟที่อยู่ในเตาได้ประโยชน์หุงหนึ่งปิ้งย่างต้มได้ไฟที่อยู่ในเตาแต่ถ้าไฟออกนอกเตาท่านว่าเป็นโทษไหม่บ้านไม่ช่องไม่เรือนไม่อะไรตอะไรไม่หมดแต่จะเป็นเรื่องของสามีภรรยาและไม่ใจหมายว่าสามีเอาใจออกจากภรรยานอกใจภรรยาถือว่าเอาไฟ เอาไฟออกนอกเตาแล้วเดี๋ยวสนัไฟไปหม่แลนะ้ภรรยาออกนอกใจสามีเอาไฟออกนอกเตาเกิดโทษไม่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่อย่างเงนะินอ่ะมันไม่ใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นการนอกใจกันจึงเป็นโทษทํามจิงเป็นโทษเพราะสามีกับภรรยาต่างเป็นสมบัติของกันและกันสามี นอกใจภรรยาเอาสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นแห่ hey, เป็นโทษมากขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นพยายานอกใจสามีขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่นคนที่มีชินมีธรรมที่ละเอียดอ่อใ น, นในหัวใจฟังแล้วสะดุ้งฟังแล้วโอ้น่ารากจนไม่มีที่จะ มันอดจูแล้วเกิดว่างั้นแต่แต่สลับคนที่ยังไม่มีความละเอียดพอก เ, เป็นเรื่องพื้นททำได้ย่างงั้นจะเดินดา่าจะยืนด่ากลางถนนกันได้แล้วเคยเห็นมาแล้วนี่พูดเป็นข้อคิ่สลับพวกเราเราเป็นไฟอยู่ในเตานี่แหละเราสามารถทำประโยชน์ได้สมัยพุทธกาลน่แหละสามีภรรยาสลับเปลี่ยนกันไปฟังเทพพระเจ้า ได้บรรลุอัตบรรลุธรรมดูแต่วิสาขาเศรษฐีใช่ไไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจา้าได้เป็นพระโสดาได้เป็นพระสกิริาคาได้เป็นพระอนาคาามีวันหนึ่งได้ฟังธรรมและบรรลุถึงขั้นอนาคาวิสาขาเศรษฐีพวกกลับไปถึงบ้านแล้วก็บอกเลิกกับภริยาอันนั้นก็ให้เธอเธออยางไดก็เอาไปอันนั้นให้เธอเธออยางไดก็เอาไปเราเคยเกี่ยวข้องกันยังงยังงยังงต่อไปนี้เรา แล้วยุ่งกันภรรยาก็เลยทราบว่าสามีนี่มีคุณธรรมถึงขั้นสลัดสลักกามเด็ดขาดภรรยาก็เด็ดเหมือนกันของทุกสิ่งทุกอย่างที่สามีมอบให้นั่เหมือนกับเป็นก้อนเขียละเหมือนเป็นก้อนน้ำลายที่อยู่ปลายลิ้นแ้วเขาถมทิ้งเรื่องอะไเราจะเอาขอสามีไปบวชแอน สามีก็เลยให้ไปบวชเป็นทุกภิกษุณีไปบวชไม่นานได้เป็นพระอระหันต์นี่ยเนี่ห็นไหมถ้าดูถูกก็ได้ที่ไหนนะผู้ชายก็ดูถูกผู้หญิงได้ที่ไหนใจเขาละเอียดปอนเขาเราอะนางธรรมถินนานนะี่เนยเป็นภรยาของวิสาขาปุบาศกเราเคยไปอ่านเจอ พอท่านไปไล่บรรลุพระอาหารหันต์มาแล้วท่านมาไล่ข้อปฏิบัติกันได้ทนิโอ้ฟังสนุกมากเลยใครลองไปหามาอ่านดูนะฟังสนุกดีมากเลยทำมาไล่กันเรื่องเข้าฌานฌานสมาบัติไล่กันเข้าฌานออกฌานคอะไรต่ออะไรไปเอามาอ่านดูนี่เราพูดถึงว่าศีลห้าเราตั้งใจปฏิบัติให้เด็ดให้ขาดจนเป็นอธิศีตเป็นเหตุให้เราได้อัานได้ทำจากนั้ น, กนเก็มาเจริญสมาธิ แต่มีแต่ศีลอย่างเดียวเป็นประสบดับบันเป็นประสบดบบันอย่างไม่ได้ต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาเพราะการที่จะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา น, นั้นจะต้องใช้ปัญญาเห็นไม่ใช่เอาศีลเห็นแต่ศีล น, นี่เป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งเท่านั้นเอง แต่แค่เรามีสินสมบูณ์บริบูรณ์สามีภริยาโอ้ยอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกครอบครัวเรือนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อกี่เราพูดไปแล้วว่าสามีภริยาเราคนจะให้ใครนำใครก็ตามที่มีธรรมให้คนนั้นเป็นคนนำพระเจ้าท่านยังทรงตรัสเอาไว้ครอบครัวใดก็ตามตั้งสามีก็ตามหรือตั้งภรรยาก็ตามที่ทุกสิลป ให้เป็นผู้ปกครองครอบครัวนั้นไปไม่รอดถึงความล่มจมในที่สุดเพราะอรอ่ะเพราะคนทุศีนั้นมันพาเสียศีลสีเลนะสุขติงันติสีเลนะโภคสัมปทานเสียเือนเสียทองเสียโภคไม่ควรเสียก็เสียซื้อเล้ากินเสียรับ กิมาแล้วตีหัวเขาทะเลาะบอกแย้งผิดโทษกฎหมายบ้านเมืองขึ้นโรงขึ้นศาลแน่เสียทรัพย์เสียทรัพย์ทุกสินกินเหล้าเนี่ยเมาเหล้าเมาเหล้าแล้วก็ลวนลามละขโมยเนี่ยต้องจองต้องจําต้องถูกปรับยิ่งเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงด้วยแล้วเนี่ยมิตรเรื่องเสียงเงินเดี๋ยวไปเลี้ยงเขาเดี๋ยวไปเลี้ยงเขาเดี๋ยวไปเลี้ยงเขา อาอะไรมาเป็นทรัพย์ดูแลครอบครัวไม่มีไม่มีศิลไม่มีทรัพย์ไม่มีศินเลยทําลายโภคะของตัวเองถ้ามีศิลแล้วมั น, เ ป, นเป็นการรักษาโภคะของตัวเองพุทธเจ้าทรรมสิกส่งพูดถึงอานิสงส์ของสิลจีเลนะสุขติงยันติสิลนี้เป็นสะพานเชื่อมให้เราได้สวรรค์ได้นิพพานสีเลนะโภคะสัมปทาน ทำให้โภคะของเราไม่สูงเปล่าไม่เสียเปล่าศีเรนัสนิบุติงยันติเชื่อมเป็นบันไดไปสู่นิพพานตัดความทุกข์ความทรมานในหัวใจออกได้เราเห็นหเรามีสิแต่ถ้าเราตั้งใจให้ทานอย่างเดียวตั้งใจรักษาสิ่งอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องภาวนา ไม่สนใจเรื่องเจริญปัญญาตั้งใจทําอย่างยิ่งอย่างมากตายไปไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาบนเทวดานั้นอะ่ะสวยแต่กรรมคุณทั้งนั้นแหละอยู่บนนั้นอะ่ะมีรูปดีดีมีเสียงดีดีมีกลิ่นมีสัมผัสมีรถมีอะไรดีดีเช่นั้นอยู่บนสวรรค์นั่นแหะมีแต่สัมผัสทิพย์สัมผัสทิพย์สัมผัสทิพย์เท่านั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนทานคาถาศีลคาถาสแสดท่านพูดถึงว่าทานศีลเป็นเหตุให้ได้สมบัติให้ได้สวรรค์สมบัติท่านต้องสอนอีกถ้าไม่สอนคนติดในสวรรค์ท่านบอกว่าสวรรค์นี่ยังเป็นโทษอยูน่นะสอนถึงโทษของสวรรค์และโทษสอนถึงอานิสงส์ของการออกจากโทษของการาคุณ บนสวรรค์หกชั้นนั้นมีแต่เรื่องของกามกคุณทั้งนั้นพวกพรหมตังหากที่เขาสูงสูงขึ้นไปมากกว่าสวรรค์หกชั้นเขาไม่บริโภค ก, กามเขายังมีความสุขอยู่กับอารมณ์อารมณ์ฌานจะเป็นชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็แล้วแต่เกิดขึ้นจากความสงบของใจใจสงบใจไม่ได้ยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสใจได้รับความสงบ ได้กบความอิ่มเออแต่สวรรค์หกชั้นนั้นอยู่ในขั้นบริโภคการใครตั้งใจทำแค่ให้ทานรักษาสิ่งไปเกิดบนสวรรค์แล้วหลงบนสวรรค์ น, นั่นแหละแต่บนสวรรค์เขามีอายุยืนจิงอยู่ตราบใดที่เรายังไม่พ้นวัตะสงสารเราเกิดบนสวรรค์นนโอ้ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่พระพุทธเจ้าถ้าหากท่านไม่สอนพวกเราก็ไปคลองไปขายอยู่แค่นั้น เพราะบนสวรรค์มันก็มีอายุจํากัดเลยท่านั้ น, นพันพปีเท่านี้พันปีทิพย์เท่านั้นพันปีทิพย์เพราะหมดมกับตกลงมาอีกแล้วเคยทํากรรมอะไรที่ยากช้าทารุณมากกว่านั้นมันก็มาบริโภคกรรมนั้นอีกล้วทำให้เราต้องเสวยกรรมนั้นไม่จบนี่คือเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สอนให้ออกจากกรรมทําอะไรจะออกจากได้และทําไมศีลเขถึงศีลห้าทำไมเขาออกจากกรรมได้ สาเหตุที่ออกจากกามได้เพราะตั้งใจเผาหนาให้ใจสงบอย่าลืมว่าใจเริ่มสงบใจจะเริ่มทิ้งกามทิ้งอารมณ์ของกามคืออะไรอ่ะก็คื อ, คอรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสนี่แหละที่ใจมันชอบอันนี้แหละเขาเรียกว่ากามกามคุณกามคุณกามคุณมันมีคุณอยู่แตมีคุณนิดหน่อยมีโทษมากมีคุณนิดหน่อมีโทษมาก ครูทีเจ้าท่านไม่เคยไม่เคยให้ความสําคัญก็ดูก็ดูแต่ท่านท่านทํากับพระนันทารูครูทีเจ้าพระนันทาเนี่ยเป็นน้องชายคนละแม่พระนันทานเ น, น, านีนน่ยมีวันหนึ่งนันท์แต่งงานกับชนบทกัลยาณีทางในวังก็มีมนให้พระองค์ไปสวยพัลยาหารพอเสวยเสร็จแล้วพระองค์ก็ยื่นบาตรให้นันท์กุ้มตาบกลับมาที่มิโครทาราม ภรรยาก็แต่งกันใหม่ๆสดๆร้อนๆยังไม่ได้แตะ ต, ต้องอะไรกันและต่างคนต่างมัดหัวจิตหัวใจให้กันและกันสามีก็มัดใจภริยาภริยามัดใจสามีมัดกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าพี่ชายเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยื่นบาตร ใ, ให้ถือตามรับบาตแล้วเดินตามไปในใจคิดว่าเอ๊ พระอหันมาเมื่อไหร่จะจะถวายบาตรคือนะเราจะกลับหันมาเมื่อไร่จะถวายบาตรล้วจะกลับจะกลับคิดถึงนางเงย <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่หันกลับเดินไปจนถึงนิโครทารามแทนที่จะรับบาตรเฉยๆนันท์เธอจะบวชหรืนะตายแล้วนันท์เธอจะบวชหรือด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงพี่ชายพ่อแม่พ่อเดียวกัน ด้วยความเคารพยำเกรงพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าแต่ปางเฉยแต่ใจอยู่ที่นางชนบทกาลยานีบวชไปแล้วไม่เป็นอันภาวนาแล้วคิดถึงแต่ความรักเไงพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรักความใคร่ความเป็นสา ม, มีภริยาพระองค์จะทำทำไมเพราะไม่ทำเขาทุกขไหมละ่ะทุกห์ล่ะนังทะก็ทุกข์ชนบทกาลยานีก็ทุกข์ทุกข์ใจนั่นแหละ เราไปพูดธรรมะที่เยอรมันเขาถามปัญหาเรื่องเหล่านี้เราตอบฟรางคนหนึ่งไม่ยอมรับเฮ้ยเถียงหน้าดําหน้าแดงเลยบอกว่าคุณที่เจ้าเนี่ยไม่เห็นใจนันทะไม่เห็นใจชนบทกรยา น, นีเราตอบไปสองครั้งเราตอบไปสามครั้งยังไม่ยอมรับตอบไปตอบมาเราก็พยายามชี้แจงเราพยายามชี้แจง จนเขายอมรับคุณมองเห็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวคุณมองไม่เห็นโทษสามีภรรยานั่นนะมันเป็นกองทุกข์ที่มันช่วยแบกกองทุกข์แก่กันและกันเราก็พยายามเราถามกลับคืนคำถามที่เราถามกลับคืนเขาจะตอบด้คํคำเดียวใช่ใช่ใช่ yes yes <c oughs> อบอกสามีต้องเอาใจภรรยาใช่ไหมาว่าใช่ ภรรยาต้องเอาใจสามีใช่ไหมใช่บางครั้งเอาใจได้บางครั้งเอาใจไม่ได้ใช่ไ้ยใช่และทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะทุกข์ก็ตอบได้คําเดียวมีความทุกข์สามีกับภรรยาแล้วก็ต้องโยกต้องพลัดพร้า ต้องเอาอกเอาใจต้องทนุถนอมต้องนู้นต้องนี้ต้อ ง, อ ง, องรับภาระต้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือกองทุกข์นี่คือกองทุกข์กองโทษเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงให้ความสําคัญท่านจึงพระนั่ทะออกไปจากชนบท ก, กรยานี้ได้ในสุดนั่งทะบวชไปแล้วก็ไม่เป็นอันภาวนาเป็นไงนั่นทะ ภานาไม่ได้เลยพะเ้าค่ะเออไปไปเดี๋ยวเราจะพาไปอุบายวิถีโผล่ขึ้นมาแล้วพระเจ้าพาไปไปดูนางฟ้าได้นียรู้ว่านาัานทนยติดรูปดนางรูปนางชนบทกระยาณีก็จะไม่ติดได้ไงกับสาวสวยแต่งงานใหม่ยังไม่ได้เข้าหอเข้าห้องอะไรกันเลยก็เลยพาไปก่อนที่จะไปถึงสวรรค์ชั้นน้นชั้นน้นเห็นนางฟ้าเนี่ยบรรดาได้เห็นริง เป็นไงนันทะโอหลิงโอสู้ชนบทกิริยานี้ไม่ได้สวยพอไปเห็นสวรรค์ชั้นแรกแรเห็นเทวดาชั้นแรกเป็นไงนันทะโอ้สวยมากไปเจ้าค่ะแล้วชนบทกิริยานีของเธอเป็นไงโอ้ยเหมือนหลิงเหมือนนางลิงไปเจ้าค่ะเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากชนบทกิริยานีไปอยู่กับนางนางฟ้าชั้นเตือนน่ะพอไปเห็นอีกชั้นหนึ่งยิ่งสวยก็ไปอีกเห็นชั้นหนึ่งยิ่งสวยก็ไปอีก นันทาเนี่ยใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนุ่นไปถึงที่สัวที่สุดนั่นแหละเป็นไงนันท่าอยากได้ไหมอ ย, ไอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ก็เจ้าค่ะอ่าถ้าอยากได้ลงไปนิดเธอตั้งใจภาวนาเราจะเอาให้นันทาก็ได้ยิ้มยิ้มย่องจะได้นางสวรรค์ที่งามที่สุดนั่นแหละตอนนี้ลืมเลยลืมลืมแฟนที่แต่งงานแล้วเห็นไหมอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าเด็ดขาดไหม เขลงมานันทาก็ตั้งใจภาวนานพระทั้งหลายเขาเห็นเขาก็แปลกใจเอ๊ะนันทเมื่อก่อนเนี่ภาวนานไม่ได้แต่คราวนี้นันทาลงมาทําไมนันานันาตั้งใจภาวนานดีดีเหลือเกินไปไปมามาเรื่องมันก็แดงขึ้นมางั้นเถอะว่านัทนทาตั้งใจภาวนานเพราะอยากได้นางฟ้าเพื่อนคนนั้นก็ซุบซิบเพื่อนคนนี้ก็ซุบซิบดีนเถอะโอคนหผลภาวนานอยากได้มักไถ่ผลอันนี้ภาวนานอยากได้นางฟ้า ก็เลยเกิดความละอายหนักในหัวใจคนนั้นก็สุขชีคนนี้ก็สุขชีเอ๊ะเราทําไมเนี่ยใจมันเลยถอนมาเลยถอนมาเลยถอนมาเลยถอนจากนางฟ้าที่เราไปผูกพันไปเกี่ยวข้องเลยไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้แนะใช่ไหมอุบายของพระพุทธเจา้าถอนมาจากนางชนบทถอนมาเลยถอนมาเลยถอนมาเลยไม่อยู่กับนางฟ้ า, าภาวนายอยากได้ภาวนายอยากได้พราะพุทธเจ้าท่านทรงรับประกันเอาไว้ เพื่อนมูเพื่อนไร้ซุปชิปเปิดความละอายใจใจเลยใจก็เลยมาอยู่ค้างเนื้อตัวเลยตั้งใจภาวนาพอตั้งใจภาวนาด้วยจิตด้วยเหตุที่จิตมันไม่ติดข้องเกี่ยวกับเรื่องกามแล้วนันทะตั้งใจภาวนาไม่นานได้ได้มรดกได้ผลได้เปลี่ยนพรรามอันนี้มันเป็นพุทธวิสัยมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านมองทะลุผุโปรกไ ป, ป, ป ห, หมดท่านมีทั้งตานอกท่านมีทั้งตาใน นี่เราพูดในแง่ที่ว่าท่านไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ในเมื่ออา้าเราอนุโลมไม่ได้จำกัดแค่ห้าข้ออ้ไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดผิดในสามีภรรยาของกันและกันไม่พูดเท็จพูดอยาบพูดสเสียไม่ดื่มสุราไม่ไรห้าอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติยิ่งยวดแล้วมาตั้งใจภาวนาเมื่อตั้งใจภาวนาใจก็จะเริ่มสงบ เมื่อใจเริ่มสงบใจเมื่จะเริ่มทิ้งรูปทิ้งเสียงทิ้งกลิ่นทิ้งรสทิ้งสัมผัสมันอยู่กับอะไรมันทิ้งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจิตทิ้งอารมณ์ที่เป็นกามนี่เขาเรียกว่าจิตเริ่มสำ ร, กกร้องกาบออกจากใจถ้าท่านจะเทียบไปที่ไม้กขมือคือไม้แห้งถ้าจะเอาไปสีเกิดไฟมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้รับแต่จิตของเราไม่สงบ ชุ่มแปรไปด้วยกามติดในรูปในเสียงไในกลื่นในรสในสัมผัสท่านเปรี่ยนสเสมือนไม้สดไม้สดนี่มันชุ่มด้วยยางด้วยอนอกจากไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วพวกเรายังมีความเกี่ยวข้องกับกามอยู่เนืองๆท่านเรียก ว, ว่านอกจากชุ่มด้วยยางแล้วยังถูกเอาไปแช่อยู่ในน้ําอีกต้องการให้เกิดไฟเอามาสีตายเปล่าไฟไม่เกิดหรอก ท่านบอกว่า เ, เหน็เเดเหนื่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยปล่าเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นความสมคัญของความสงบเห็นความสมคัญของสมาธิคือความสงบเห็นไหมสามีภรรยาเนี่ยหาความสงบอยู่คนละมุมห้องนั่งพาบน้ใจนะครับความสงบหรือไม่สามีอยู่บ้านภรรยามาวัดพาบน้ํ า, าทําให้ใจสงบ สลับเปลี่ยนกันภรรยาอยู่บ้านเขาภาวนาสามีมาวัดภาวนาตัง้งใจภาวนาจนใจได้สงบเมื่อในเมื่อต่างคนต่างมีบาดมีฐานของความสงบแล้วะมันก็ติดออกติดใจถึงคราวเราบริโภคกามมันก็บริโภคไปแต่ถึงคราวเราทําลายกามเอาใจออกจากกามเข้าสู่ความสงบเราสามารถเข้าสู่ความสงบได้ จากนั้นแล้วเราจะมาขยับขยายพิจารณาเห็นทั่วเห็นคุณของกองสังขารกองนี้มันพอจะเป็นไปได้มาเจญวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นสัจจสัจธรรมอย่างแท้จริงมันพร้อมที่จะเห็นได้มันพอที่จะเห็นไดน้เราเห็นคุณค่าของความสงบไหมเมั่อครูบาอาจารย์ขางเร า, เ, ราเน้นมากโดยหดหลงตาต้องทาสมาธินะ ในเมื่อใจมีกำลังแล้วท่านให้มาพิจารณาท่านนั้นบัญญัติเหมือนกับขวาซ้ายขัดเท้าขวาเท้าซ้ายขาขวาขาซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายก็ไปเรื่อยเรื่อยเหมือนอย่างเราเดินทางขวาซ้ายขวาซ้ายกัก้าวไปเรื่อยก้าวไปเรื่อยพอเวลาเหนื่อยก็หยุดคาว่าหยุดก็คือยืนอยู่กับที่คำว่ายืนอยู่กับที่หมายความว่ามาบริกรรมอารมณ์หนึ่งเดียวเพื่อใจสงบพุทโธพุทโธ พอเวลาลวเราพิจารณาเราพิจารณาหลายๆอาการหลายๆอารมณ์พิจรารณาถึงความยากักย้ายผันแปรของอารมณ์ที่ท่านชี้ให้มาพิจารณาโคงสังขานที่เป็นร่างกายพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงของมันคือความไม่คงทนของมันความไม่คงที่มันต้องเปลี่ยนไปความไม่คงที่มันต้องเปลี่ยนไม่คงที่คือทุกเปลี่ยนไปคืออันหนึ่งไม่คงที่คือทุกขขัง ทุกครั้งอันนี้คือทุกครั้งในหลักอริยสัจสี่พวกเรารู้แต่ความทุกข์คือทุกเจ็บทุกปวดทุกทุกป่วยทุกไข้ความทุกข์เหล่านี้ทุกเสียใจทุกเจ็บปวดร่างกายเรารู้จักความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกข์ที่มันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมมันเปลี่ยนไปอันนี้เราไม่ค่อยจะรู้จักความทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์ในหลักอริยสัจสี่ที่เรียกว่า ทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมการไม่อยู่เท่าเดิมไม่ถ้าให้เราดูเพื่อให้เข็ดให้หลาเรามาดูที่ความสุขในหัวใจของเราถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเทียบเคียงเราก็ติดความสุขในใจของเราเรามาดูในความไม่มีโรคในกายของเราถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเทียบเคียงเราก็ติดในกายเรอกที่จะเรียกว่าติดในความไม่มีโรคติดในไวไวยังหนุ่มยังแน่น มีกำลังวังชาดีๆกับเมาในวัยเมาในความไม่มีโรคและเมาในชีวิตสิด <weet> ว่าจะของจะไม่ตายในในเมื่อเรามาเทียบดูแล้วเรามีกําลังวังชาดีๆอยู่นี่แหละแต่เราเข้าใจเรื่องหลักของความไม่คงทนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจากการมีเรื่องมีแรงจากการมีกําลังวังชาดีเดี๋ยวก็หมดเรื่องหมดแรงหมดกําลังวังชาจากการมีชีวิตอยู่สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็หมดชีวิตเพราะสิ่งนที่ต้องเปลี่ยนไป เรามาเทียบกับหลักอันนี้อย่งทุกขั้งนับตายอย่างนี้มันเป็นเหี้ยนให้เราเกิดปัญญาปัญญาเราพิจารณาเราเดินย่างนี้อาศัยสมาธิเป็นภาคเป็นพื้นทำใหจิตได้รับความสงบแล้วเอาพิจารณาปัญญายิ่งเราไปดูในหลักของมหาสติปัฏฐานด้วยแล้วมันได้ทั้งสมาธิมันได้ทั้งปัญญาถ้าให้เอาสติเป็นใหญ่ในการเจริญอิริยาบท จะยืนให้กำหนดสติมีสติกำกับให้รู้ตัวเฉพาะอยู่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนว่าทำว่าดื่มว่าพูดว่าคิดทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติกำหนดจดจ่ อ, อยู่กับเรื่องเรื่องเดียวเมื่อใช้มือก็ทำไปจิตก็คิดล่องลอยไปแหมี่เลสมาแทรกที่จิตจิตกับกิริยาของกายของวาจาที่ทำจะทะลึกรู้ไปพร้อมๆกัน เ, unified, เอาสติไปกำกับความดีใจไม่เกิดขึ้นความเสียใจยไม่เกิดขึ้นที่เเรียกว่าอภิชาความโสดโสกปริเทวะเ şey. ก, ก, กิดขึ้นไม่ได้อภิชาโทมันอภิชาโธมันเกิดขึ้นไม่ได้ความยินดีเกิดขึนด้นไม่ได้ความยินร้ายเกิดขึ้นไม่ได้ button. จิตสักวะรู้สัตวะสภาพรู้นี่คือจิตที่ ตรงเป็นกลางไม่ถูกตัณหารูกคลำถ้าหมยินดีปั๊บตัณหารูกคลำแล้วตัณหาเกาะจิตลวงนั้นแล้วถ้ายินร้ายปั๊บตัณหาเกาะจิต ด, ดวงนั้นแล้วในเมื่อมันเกาะแล้วกำลังยึดเป็นอุปาทานขึ้นมาทันทียึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราตราบใดตัณหาไม่โผลอุปาทานจะไม่โผล่ภพชาติจะไม่โผล่ตราบใดตัณหาโผลอุปาทานมันก็โผล อุปาทางคอออาือยึดเอาอยึดเอายึดเอามันยึดโดยหลักธรรมชาติของมันมันยึดโดยหลักธรรมชาติของมันนะไม่ใช่เราไปตั้งใจยึดนะมันยึดโดยหลักธรรมชาติของมันธรรมชาติของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเรามันยึดโดยหลักธรรมชาติของมันนี่เราอาศัยความสงบและพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันพอจะเป็นจะไปเราก็เรียนเราศึกษาเรื่องสิล เ, เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เราตั้งใจภาวนาพุโทโธให้จิตเรีบร้อความสงบแล้วก็พิจารณาเพื่อเห็นอันนี้จากทุกขังนะอนัตตาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเราทําไปเป็นแบบฝึกหัดทําจนอย่างยิ่งจนเกิดปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นจนกว่าจะได้ผลปรากฏชัดเป็นเหตุไม่กําเริบในหัวใจกลายเป็นปัญญายานอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาอย่างม า, มารู้หลักสัจธรรมเหตุปัจจัยของกายโอ้เหตุปัจจัยของใจเป็นเหตุปัจจัยของกายเป็นนี้นะท้าวปาทานก็เบาไปแล้วร่างกายเบาสบายปลอดโปร่งยิ่งไปเห็นกระแสรธรรมอนิจจังทุกขงังอนัตตาด้วยแล้วมันก็เลยทําให้เราเกิดความรอบรู้เห็นชัดเจนเห็นกระแสของธรรมโอ้กระแสของหลักธรรมชาติในโลกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ กระแสของหลักธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ไม่เหมือนกระแสน้ําไม่เหมือนกระแสลมกระแสน้ํากระแสลมเราสามารถเปลี่ยนได้กระแสน้ําเนยปกติน้ํา ม, มันไหลลงที่ต่ำํำเราเปลี่ยนได้ไหมนู้นก็สูบขึ้นตึกห้าชั้นสิบชั้นอ่ะสูบขึ้นได้สบายแน่มันต้องถูกดูดถูกผลักขึ้นไปได้น้ํา ม, มันขึ้นไปได้นี่กระแสของน้ํา แต่กระแสของตัณหานิจังทุกขังนักตาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เป็นอยู่ในสภาพเดิมพุะสญญาท่านมาศึกษาเข้ามารู้มาเข้าใจและยอมรับโอ้มันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้พระองค์จึงได้ชื่อว่าตถาคตตถาคตตถตาตัดาตถาคตโอ้ภาวะอันนี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครสามารถทําให้เป็นอื่นไปได้ ละเอียดนะคุณทำเหล่านี้ละเอียดพยายามพิจารณาทําแบบฝึกหัดทดสอบเป็นเป็นเป็นแบบฝึกหัดกันแล้วกันหละเอาเล้ล่ะฝึกหัดที่เรียกว่าเราเจริญปัญญาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตราบใดที่สติเราดีปัญญาเราก็ดีสมาธิเราก็ดีตราบใดที่สติเราไม่ดีสมาธิเราก็ไม่ดีปัญญาเราก็ไม่ดี สติเราต้องพยายามตั้งจิตที่ตั้งสมาธินั้นน่ะจิตที่พยายามตั้งสตินั้นน่ะอเราดูไปที่อะไรดูไปที่เจตนาคือเจตจํานงของใจของเรามันเจตนามันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นตั้ง อ, อกตั้งใจทำไม่ได้เพืจะค่มนิวรในตัวของเราเนี่ยการตั้ง อ, อกตั้งใจสํารวมธรรมะระวังมันเป็นการข่มทั้งนั้นแหละ การข่มนี่แหละเท่ากับว่าเป็นการบังคับบางคนก็มาอ้างว่าการปฏิบัติธรรมนี่บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าไม่บังคับเนี่คุณจะ <anya> ทำเกิดไม่ได้คุณทำเกิดไม่ได้ต้อง บ, งบังคับเท่านั้นการสังวรก็คือการบังคับการขม่มอารมณ์ของกิเลสถือว่าเป็นการบังคับการกดการทนกถือว่าเป็นการบังคับ บังคับเท่านั้นแหะสังวรประทานผานประธานเนี่ยคือการบังคับเท้านั้นแหละเราบังคับไม่ได้แต่กายของเราทั้งนี้ร่างกายต้องเกลต้องเกียดต้องตายเราบังคับไม่ได้อแล้วก็ยึดไม่ได้สมุทัยเรายึดไม่ได้แม้แต่นีโรดเนี่ยเราก็ยึดไม่ได้เรายึดได้เราบังคับได้ยึดมัดบังคับมัด บังคับหนทางหนทางนี้เราบังคับได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้มัชเชมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาเราทําให้แน่วตามนี้เนี่ยทำเอาจนเกือบเป็นเกือบตายใส่เข้าไปท่านก็ท่านก็ไม่ถือว่ายิ่งจนเกินไปแต่ถ้าเราทําไม่ถูกบริโภคการมมงุมงบมเรอด้วยการมเป็นการมมาสุขและการนยค ทำอย่างไงยังไรท่านก็ว่าอย่างหย่อนยานอยูั่นแหละแล้วก็ไปปฏิบัติทรมานร่างกายอย่างเดียวทําจนตายมันก็ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติแต่การที่ทำทำถูกต้องอย่างพระโอภารัมต้องเจริญสีสมาธิปัญญาเนี่ยสสมาธิปัญญาสัมม า, ญญ า, มาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวายาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นเรื่องของสีสัมมา วายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งแปดทั้งองแปดองเนี่ยองค์ประกอบทั้งแปดเนี่ยตัวที่พาทำมาที่แท้จริงก็คือตัววายามะวายามะคือความเพียรทั้งวันประธานานประธานภาวนาประธา น, านอนุรักษณาประธานสุกมาที่หลักสี่หลักเนี่ยหลักสี่หลักนี้สรุปมาเป็นหนึ่งได้ เราอยู่กับสังวรประทานก็เท่ากับเราอยู่กับภาวนาประทานเราอยู่กับภาวนาประทานก็เท่ากับอยู่กับสังวรประทานสังวรประทานหมายความว่าสํารวมไม่อกุศลเกิดเป็นหัวใจขอหลักของเราสํารวมไม่ให้กิเลสเกิดเป็นหัวใจของเราภาวนาประทานก็คือตั้งใจภาวาให้จิตอยู่กับอารมณ์อย่างเป็นพุทโธพุทโทพุทโธพุทโธทาไมสํารวมทาไมสังวรมันจะไม่อยู่ การสํารวมสังวรเอาอะไรมาสํารวจเอาสุติมาสํารวมที่ท่านเรียกว่าสติสังวรสติสังวรสติสัมปชัญญญาสังวรอันนี้คืองานตัวนี้แหละเป็นตัวผลักดันให้งานทั้งหมดนี้เป็นไปได้จะเป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นสัมมาสังคปะก็เหมือนกันสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นโทษของกามดัมมริออกจากกามะ ดาริดํำริไม่ดําริเกี่ยวกับเรื่องกามดาริออกจากกามเห็นไหมเห็นคุณค่าของความดําดริออกจากกามไหมอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเอ้ยเรื่องของกามถ้าเรามาติดจงประกโยกเกี่ยวกับเรื่องกามกเหม็นไม้เราสดๆจิตของเราสดๆอมแปร่ไปด้วยอย่างของอำนาจของกามกคุณทั้งหลายทั้งปวงแล้วจะไปทํำยังไงให้เกิดไฟ ตะปะทมที่ยิมาคอยเผ็ดผาหัวใจของเราให้เราร้อนให้กิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจของเรามันเหือดไปแห้งไปมันเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้เพราะน้ากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันตัณหาตัณหากับตัณหาเนี่ยมันเป็นสมุนกันตัณหากับปัญญาเนี่ย มันเป็นปฏิจจปรกันตราบใดที่ยังมีตัณหาอยู่ปัญญามันจะเกิดไม่ได้ตราบใดที่ใช้ปัญญาหมุนจนสุดเรียวสุดแรงเห็นโทษของตัณหาเนี่ยหาช่องหาทางเล็ดลอดออกไปให้ได้นี่คือข้อปฏิบัติแม้แต่ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรารู้เราเข้าใจแล้วเราทําให้ต่อเนื่องทำทำทำหยุดทําทำทำทำหยุดทําๆทหยุดผลก็ไม่เกิด ทางที่ดีถ้าเราจะเทียบเหมืมึงก็เราได้รับความสงบอยู่แล้วเราก็ตั้งใจทำทำอย่างต่อเนื่องทําเรื่อยๆทําไม่หยุดทําอย่างต่อเนื่องเหมือนก็เราถูไม้ไม้ที่แห้งนี่แะถูเรื่อยๆถูจนเกิดเป็นไฟไม่ยอมหยุดถูถูรู้สึกว่าจะเกิดไฟขึ้นมาแล้วหยุดอา้าวก็เย็นอีกแล้วถูถูถูรู้สึกว่ามีสัญลักษณ์ไฟประกอบ บอกขึ้นมาแล้วเห็นเห็นควันเกิดขึ้นแล้วเห็นขม่าวดำๆเกิดขึ้นแล้วเห็นทางแดงๆเกิดขึ้นแล้วยาพุกจนเปลวไฟลุกขึ้นเปลวไฟจะลุกขึ้นได้ต่อเมื่อถึงขั้นนั้นระดับนั้นไม่ใช่ทุบทุบๆอยู่ในปกติไม่ติดแต่เราไม่ยกตัวอย่างตามที่มนุษย์เขายกอุปมามาทําำเรียนแบบมาทำนี่ไม่ได้เช่นอย่างอะไรละ่ะเช่นอย่างความเสียดสี ไฟที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาไม้ต่อไม้มาถูกันเนี่ยไฟเกิด ข, ขึ้นจากการเสียดสีแต่การเสียดสีอีกประเภทหนึ่งที่มนุษย์เราใช้ปัญญาเช่นอย่างหินกับเหล็กเนี้ยเช่นอย่างเมื่อขีดไม่ช็คนีน้หินกับเหล็กมาสัมผัสกันปั๊บเกิดประกายฮนประกา ย, ย, กายตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวจุดช็ค ไอ้มือ น, น่ก็ไปกดเปิดแก๊สขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวจิตติดไฟอันนี้ก็าเรียนแบบเรียนแบบทาไฟนี่ปัญญาของมนุษย์ดังเดิมแทๆ้ๆมนุษย์เนี่ยเอาไม้กับไม้มาเสียดสีกันให้เกิดไฟโดยเหตุที่มนุษย์ฉลาดจึงสามารถปลิ่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ไปได้แต่มันก็ต้องอาศัยการสัมผัสเห็นไหมเหล็กกับหินสัมผัสช็คเกิดประกาย สติก็บส no, ัมผัันยักกับปัญญาพิจารณามันถือว่าเป็นการไปสัมผัสไปสัมผัสกับสมไทยพราะสัพพะกับสมุทัยะั๊กสัพพะกัสมุทัยปั๊มันคล้ายๆกับว่าตาตาทำมันก็แผดเผาสมุทัยสมุทัยก็เหงื่อไปแห้งไปเหื่อไปแห้งไปเหื่อไปแห้งไปแห้งจนหมดได้พุติยาท่านใช้วิธีนี้แหละแผดเผาจนเหืออแห้งไป ไม่มีใครเอาหลักเปลี่ยนที่ไหนมาบอกมาสอนพระองค์ไม่มีปฏิจจสมุปบาทอันนี้จังทุกขงังอนามตานีไม่มีใครมาบอกมาสอนไม่เหมือนพวกเราพวกเรามีตำราอยู่เต็มคัมภีร์เต็มตู้เต็มผิดเอาหลักนั้นมาดูเอาหลักนี้มาดูเพราะท่านบอกไว้แล้วท่านชี้แจงมาแล้วท่านเทศนาไว้แล้วแต่พระองค์ใครจะมาชี้แจงบอกเราไม่มีพระองค์อาศัยว่าจิตพระองค์สงบแล้วจิตพระองค์สงบแล้ว เอาความสมงบนี้แหละมักแพ่เผาพิชายร้ายเกิดปัญญาเจ้าไม่เชื่อหรอกตั้งสติให้มั่นคงเด็ดขาดแนบแน่นแ น, บ, นบในใจของเราแหละแพร่เ ผ, า, ผามาที่อารมณ์ที่ใจมันโกรธ ด, ดิ้นเด้งเด้าเดลองลองดูดิดดดดดสักหนึ่งหายไปเลยนะเหงื่อไปเลยหายไปเลยเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนั้นแพร่เจ้าคนนั้น่นนะแลลายหายไปเลยอะ่ะ นี่คือตะปาธรรมตะปาธรรมมันเกิดมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจสติสัมปชัญญะคือผู้รู้เปรียบเสมือนตะปะธรรมความแผดเผาโดยธรรมเอาตัวนี้เราไปจิ้มไปแช่เดียมก็เหือดไปเดี๋ยมันก็แห้งไปอาศัยตัวนี้แหละไปเหือดแห้งไปไปเหือดไปแห้งไอ้ตัณหาในหัวใจจนตัณหามันละละละล ะ, ละลายหายละเหยหายไปหมด อันนี้เป็นสมุดไทยสมุดไทยนี้เป็นสัจธรรมกันเป็นสมุดไทยศัพ์แต่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นกิกกริยาอาการของผู้รู้ของเรามันเป็นผู้รู้ที่ดิบๆที่ยังไม่เคยมาฝึกฝนอบรมเพราะฉะนั้นทุกคนมีขึ้นมาแล้วจะดีได้ต้อเมื่อเราต้องมาฝึกมหัดมาดัดมาแปลมาขัดมาเกลามันถึงจะเป็นไปได้ไม่งั้นเป็นไปไม่ได้ยุ่ยนี้แหละ ยิ่งเราไม่สนใจเรื่องสี่เรื่องธรรมด้วยแล้วเนี่ยวันคืนโลงไปมีแต่เรื่องของยิเลใหยิเลใกรวิบัติผลรายได้เเรื่องของมันทั้งหมดมันมาโปะจิตเโาะใจของเราจากจิตเริ่มมีสติมีปัญญาแพรวราวอะไรอยู่บ้างถ้าเรานึกนึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐินาไปเลยหนาไปเลย๊บเราจะมืดหมดทั้งดวงจิตดวงนั้นมืดหมดทั้งดวงนะ ถ้าเราปลอยให้ตะกีเรมันเกิดขึ้นในหัวใจเราเมื่อหม ด, หมดทั้งดว ง, ดงถ้าเราพยายามจำํำละขัดเปล่ากันด้วยศีลด้วยธรรมจิตของเราจะเริ่มผ่องขึ้นผ่องขึ้นจิตผ่องใสจิตของเราสงบนี่แหละคือจิตผ่องใสจิตผ่องจิตใสไม่ใช่ผ่องใสเฉยๆนะมีความสุขอยู่ในนะั้นยังบอกไม่ถูกทีเดียวแหละเป็นความสุขที่บริสุด มีความสง บ, สบย อ, อยู่ในนั้นมีความผองใสอยู่ในนั้นมีความเบาสบายปลอดโปร่งอยู่ในนั้นเราทําให้มีมันองมีใครบอกละ่ะมันไม่สงบจักถว่าสงบเฉยๆแบบนี้ลายจะไปอยากได้เลยโอ้มันสงบมันมีความสุขบางทีจนเราคิดว่าโอ้ยแค่นี้เราก็พออยู่แล้วแค่นี้เราก็พออยู่พอเป็นพอไปตายชัางมันแหละแค่นี้พออยู่พอเป็นพอไปเนี่ยมันมีความสุขถึงขั้นนั้นนะอ่า ท่านถือว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่อิงกับดีใจกับเสียใจความสุขความสุขของสุขเวทนานั่นมันอิงกับความดีใจความพอใจความสมใจความสมหวังความสมอยากความสุขสุขเวทนาแต่ความสุขจากใจสงบใจนิ่งนี่ท่านถือว่าเป็นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์นะ เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ตัณหาไม่โดดดิ่งในหัวใจเราทรุกข์เพราะตัณหามันดีมันดิ่งในหัวใจดิ่งเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันพานึกคิดอยู่นั่นแหละไม่ยอมจบที่เราพูดถึงแต่เรื่องข้างในเกือบทั้งนั mm ้นเลยนะพูดถึงแต่เรื่องข้างในคิดว่าพวกเราทั้งหลายก็จะได้อบายได้วิธีไปพิจารณาย้อนไปดูอย่าไปคิดว่าใจของเราเองเป็นมหามิตนะ นี่เป็นตัวมหาศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเพราะมันมีตัวศัตรูถั่วตัวที่ร้ายกาจอยู่ในนั้นอย่าไปถนอมมันใจมันไปเลยเอามันแตกหักเกาไปเลยแต่หากพื้นเพรของผู้รู้จะไม่สูญไม่หายไม่ละลายหายไปไหนจิตไม่มีปา่าช้าน้องตาทว่าจิตไม่มีปา่าช้าจิตไม่บริสุทธิ์จิตพนเพื่อนกับกิเลสในเมื่อเราไปชำระ ก, กิเลสหมดไปแล้วจิตผู้รู้เหลือผู้บอ้อ ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองไม่เป็นกองสังขารและไม่มีป่าชา้าดำรงตอนอยู่อย่างนั้นแหละตลอดอนอันตกาลไม่มีความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนน้องตาท่านพูดว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปความทุกข์แม้เท่าเม็ดหินเม็ดสายไม่เคยผ่านไปเลยในใจดวงนั้นอีกเรามาคิดดูกับจิตของพวกเราผ่านมีแต่กองทุกข์เต็มไปหมดอย่างเงี้ยต่างกัน คนโลกเรามาพูดถึงในแง่ก็ว่าเหลือบากกว่าแรงด้วยเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมอูทาไมมันเหลือบามันทำไมมันเหลือบากกว่าแรงที่เราจะต้องอบต้องรมต้องจักต้องทําต้องอะไรจออะไรได้บางทีเราก็คิดอย่างนี้แต่มันมีช่องมีทางที่ออกจากเล็ดลอดแต่ต้องอาศัยความพาดความเพียรพวกเราไม่ยินได้ฟังมาขอได้รู้มาขอได้วิธีน่าจะพอสมควรแก่เวลาละมั้งฮนะ นี่มันก็ตั้งชั่วโมงกับยีสิบสี่นาทีเราคิดว่าไม่กี่นาทีตั้งชั่วโมงตั้งยีบสีนาทียาเนี่ยเอาสักสองชั่วโมงได้ไหมอ๋อแล้วนี่มันเป็นยกที่สองเลยนะเนี่ยนะมันไม่ไหวแล้วนะไปพวกเราก็เอาไปนั่งภาวนาต่อใครกลับบ้านก็ไปภาวนาต่อที่บ้าน ไปนอนอยู่ที่วัดเนี่ยไปภาวนาต่อที่วัดน้าอืออืออืออืออาี่้านาทีพอดีเนี่ยโยมนั่งแล้าก็อันนี้อันี้าเอ่าอนนี้่ามะเอาไว้เเดี๋ยวพวกนี้เราจะไปเผาศกอาจารย์สุพิธจะเอาไป โรงงานศพเขาเน้นดไมไม่หายได้สมอไปไปไปไปเอไปไไปไปีปไปไไมไไปไปไปอปไปไปไปไปอไปไปไปไไป่ปไปไฮไไไปไป ใบนี้ห้าพันใบโน้นอีกห้าพันอ่าป็นเมืนหนึ่งให้ก็เตียวหมูน้องก็ะอซพิมโ์หงถอยทองคาบาทหนึ่งทองคำอีกบาทหนึ่งแล้วก็ธณะเสด็จคณะเสด็จเราปู่มหาทวินทรมรดกสปโขทยต่อตุบบนตุกได้เพื่อปูวาน้องถวายทองคำกันเทศอีกบาทหนึ่งขอปัจจัยอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสารอยี่สิบบาทม รวมเป็นเท่าไรเนี่ยสองมืนหม่นหนึ่งพสารอยี่สิบสองมืนสร้ยิบอเกียดมาบวกให้เป็นสอง0มืนห้าซะมีไหมเรามีแต่บอกมันเนีมันมีหรือเปล่าไหนมาเอามาเอานี่เฮ้ยแล้วก็แล้วก็ปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นกันเทศนี่กับถวายร่วมกระทินกับเพื่อนนี่นะ แล้วก็โตมาเพิ่มมีให้เป็นสองหมื่น้าได้มาเพิ่มให้เป็น2องหม้าเอาไปทีนุ่นก็โดยรวมเพิ่มให้เขาได้นิดหน่อยตรงนี้ก็ได้น้อยนิดทีนุ่นก็ได้นิดหน่อยแล้วน้อยนิดนิดหน่อยเด้งก็ได้มากเองหรอกเอาไอพรเทนี <c oughs> นี้นี่ น, นีอะไร พรุงนี้จะไปเผาศกยันสุพิษนู่นปูวปัวูเขาเริ่มงานเที่ยงครึ่งไอ้บ่ายโมงครึ่งเผาจีงก็เราสามสี่โมง น, น่พรุงนี้ก็เสร็จที่นี่ไปน่าจะทันเนาะเราเสร็จที่นี่ไปน่าจะทัน <c oughs> เอาที่ส่วนบนไปนะตั้งใจภาวนาตั้งใจอดอดฟังทนฟัง อดเจ็บทนเจ็บอดปวดทนปวดอดภาวนานะตั้งใจภาวนาเนี่มีผลมีอ น, นิสงส์เท่านั้นแหะอุทิศส่วนบุญเหล่านี้ไปให้แก่บิดามารดาผู้ญาตายายสรบประสับทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอย่าลืมอุทิศถึงในหลวงบ้างในหลวงเนี่ยท่านสวรรคตไปไวัยเนี่ยในหลวงท่านมาเท่ากับ เทพเจ้ามาโปรโดเมืองไทยเราท่านท่านทำสิ่งที่ควรทําทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์มาอุปบัติมาเป็นผู้นําของประเทศไทยงานของพระองค์ก็คือบําบัดทุกบำบุงสุขให้กับประสบนิกรพระองค์ก็มาทําสิ่งที่ควรทําพระองค์ได้ทำทำอย่างยิ่งหาคนอืที่จะทําเยี่ยงตามเยีังอย่างของพระองค์ได้ เพราะฉะนั้นผลคุณงามความดีของพระองค์โดยเฉพาะพระองค์เองพระองค์ก็ไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนอยู่แล้วแต่พวกเรามีบุญคนละน้อยคนละนี้ก็อุทิศส่วนบุญเพิ่มพูนให้กับพระองค์เราได้บุญเพิ่มอีกนะยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาขาลังเอวะเมวัยโตทินังเปตานางอุปกะปติ อิชิตังปฏิตังตุมหางขิปะเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามานิชโชตระโสยทาสพีทีโยวิวัชันตุสพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาธนสีลิสานิจังุทาปะจายโน จัตตารโรธรรมาวะันติอายุวโนสุขังพระลังจบแล้ววันนี้ใครไปใครไปเนก็้าไปนะไปเนหมดคืนนะ่ะ